เชตวนวิหารานุโมทนาว่าด้วยทรงอนุโมทนาการถวายพระเชตวันวิหารครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปโดยลำดับ จนถึงกรุงสาวัตถีทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินิกะขหาบดีในกรุงสาวัตถินั้นครั้งนั้นอนาถบินิกะขหาบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาค แล้วนั่งหน้าที่สมควรท่านอนาถบินิกะขหาบดีผู้นั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคพร้อมกับภิกษุสงฆ์ทรงรับพระตาหารของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคสรงรับนิมนต์ โดยดุษณีภาพครั้นานาถบินิกะขหาบดีทราบการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากกลับไปครั้นราตรีนั้นผ่านไปอนาถบินิกะขหาบดี สั่งให้จัดเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประนีตให้คนไปกราบทูลพัตการว่าถึงเวลาพัตาหารแล้วพระพุทธเจ้าข่าพัตตาหารเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาศทรงถือบาทและจีวรเสด็จไปนิเวศของอนาถบินดิกะขะหาบดี ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายพร้อมกับภิกษุสงฆ์อนาถบินิกาขหาหบดีได้นำของเคี้ยวของฉันอันประนีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยตนเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วส่งห้ามพัฒตาหารแล้วละพระหัตจากบาท จึงนั่งเฝ้าอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติอย่างไรในพระเชตวันพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงจัดถวายเชตวันแก่สงจากทิศทั้งสี่ผู้มาแล้วและยังไม่มา อนาถบินติกะรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วได้ถวายพระเชตวันแก่สงจากทิศทั้งสี่ผู้มาแล้วและยังไม่มา